และสิ่งรอบข้างให้เรียบร้อยลงตัวได้อย่างไรช่วงเวลาระหว่างนี้ไม่เป็นอันเจริญสติเท่าไรฉันกลับไปเป็นคนคิดมากอย่างช่วยไม่ได้แม้เพียนปลุกสติด้วยลมหายใจด้วยเท้ากระทบตลอดจนด้วยการแผ่เมตตาที่พึ่งเก่งมาหมัดเมื่อวานเดี๋ยวเนี้ยทุกอย่างพังถล่มล้มคลืนวินาศสันตโรไปหมดแล้ว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 ไม่ใช่คนเลวร้ายโดยสันดานแต่ใจเรามักเห็นแต่ง่ร้ายของเขาแม้ในบันทึกของฉันเกี่ยวกับศัตรูก็ไม่เคยมีคุณงามความดีอะไรถูกจดไว้เลยหากใครอ่านบันทึกของฉันก็ต้องนึกแต่ภาพเขาแยกเคี้ยวยิงปันตลอดศกหรือเป็นบุคคลร้ายเหตุผลจนหน้าขยักขยงเข้าใส่ข้อเท็จจริงคือ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 ก็ถูกทุกขเมือบหมดตัวไปแทน